อกสูตรหนเนี่ยนะอันนี้ก็สูตรเกี่ยวกับผ้าอรหันต์อีกเหมือนกันสังขามาชิสูตรเนี่ยนะก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงผ้าอรหันต์ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเฉตะวันอารามของท่านอนาถปินธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระสังขามาชิถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า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 กะท่านพระสังขามชิว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีบุตรน้อยเถิดนะไม่อะไรเลยนะมาบอกให้เลี้ยงดูอย่างเดียวเลยเมื่อพระยาเก่ากล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสังขามชิก็นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองบอกขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีบุตรน้อยเถิดท่านก็นิ่งอีกแม้ครั้งที่สาพระยาเก่าของท่านพระสังขามชีก็กล่าวกับท่านพระสังขามชิว่าข้าแต่สมณะ ขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีบุตรน้อยเถิดท่านพระสังขามมาชิก็นิ่งเสียลำดับนั้นแลเนี่ยคือก็คิดต่อไปจะทําไงดีนะภรยาเก่าของท่านพระสังขามมาชิก็อุ้มทารกไปวางไว้ข้างหน้าท่านพระสังขามมาชิกล่าวว่าข้าแต่สมณะนี้บุตรของท่านท่านจงเลี้ยงบุตรจงเลี้ยงดูบุตรนั้นเถิดดังนี้แล้วก็หลีกไปทำไมใช่ผ้าละหันนี่หนักใจมากเลยนะเนี่ยลำดับนั้นแลท่านพระสังขามมชิ ไม่ได้แลดูทั้งไม่ได้พูดกับทารกนั้นเลยเอาเด็กมาวางก็วางสิไม่พูดไม่อะไรนั่งนิ่งอย่างเดียวลำดับนั้นภริยาเก่าของท่านพระสังฆามาชิไปคอยดูอยู่ในที่ไม่ไกลได้เห็นท่านพระสังฆามาชิทั้งไม่แลดูทั้งไม่พูดกับทารกครั้นแล้วนางก็คิดว่าสมณะนี้แลไม่มีความต้องการแม้ด้วยบุตร รู้ว่าตัวเองก็ไม่เอาแล้วบุตรก็ไม่เอานางก็เลยกลับจากที่นั้นแล้วก็อุ้มทารกหลีกไปพระพุทธเจ้าเห็นหมดนะที่เขาทำอะไรกันเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เห็นการกระทำอันแปลกเห็นปานนี้แห่งภรยาเก่าของท่านพระสังขารมชิด้วยที่พจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์นะน่าดีใจกับพระสังขารมชินะน่าเสียใจกับภรย า, าเยก่าชใช่ไหม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 เพราะไรเพรตัดชันนราคาได้เด็ดขาดแล้วมาดูข้อความในอัตถกถาบ้างนะพูดถึงประวัติของพระสังฆามาชิบ้างว่าพระสังฆามาชินี้คําว่าผู้มีอายุนี่เนี่ยเป็นเป็นพระระดับอาจารย์เลยนะพระสังฆามาชิเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เลยเป็นบุตรของเศรษฐีมีสมบัติมากท่านหนึ่งในเมืองสาวถีเวลาเจริญวัยบิดา มารดาก็ให้มีเย้าเรือนโดยสมควรมอบทรัพย์สมบัติให้ <c oughs> แล้วก็ให้อยู่ครองเรือนวันหนึ่งเขาเห็นอุบาศกชาวกรุงสาวัตถีกำลังถวายทานสมาทานศีลตอนเช้าหุ่งนุ่งห่มผ้าขาวถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นก็ตรงไปยังพระเชตวันเพื่อฟังธรรมในตอนเย็นจึงถามว่าท่านทั้งหลายไปไหนกันมาเมื่อเขาตอบว่าไปสานักพระาศาสดาในเชตวันเพื่อฟังธรรมก็เลยจึงกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นแม้ฉันก็จะไปจึงได้ไปกับพวกเหล่านั้นเห็นเข้าไปวัดฟังธรรมกันเยอะไปด้วยไปด้วยครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือบรวรพุทธอาฏที่เขาบรรจงจัดไว้นะมนตดบสําหรับฟังพระสัจธรรมคือฟังอริยสัจธรรมเนี่ยนะพระองค์แสดงอริยสัจธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริสัทธ์สีเหมือนไกลสอนราชสีบาลอสีหานาในถ้ำทอง ครั้งนั้นแหละอุบาสกเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายสังฆามาชิกกุลบุตรคือบุตรของผู้มีตระกูลเนี่ยนะก็นั่งฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุปุพพิกถาคือทานศีล ส, สวรรค์เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ประกาศอริยสัจสีในเวลาจบสัจจะสัตว์หลายพันได้ตรัสรู้ธรรมหลายพันนะไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยเนีย พระสังขามมชี้ก็บรุโซดาปฏิพลด้วยเมื่อบริษัทออกไปเขาก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมเสร็จแล้วก็ทูลขอบรนประชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดให้ข้าพระองค์บรนประชาเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถามว่ากม็มารดาบิดาอนุญาตให้เธอบรนประชาแล้วหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าสุดโททนะขอพรเอาไว้ว่าถ้าบุตรจะบวชต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อน ฝ่ายพระสังฆามชีก็กราบทูลว่ายังไม่ได้รับอนุญาตพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าสังฆามชิพระตถาคตเจ้าทั้งหลายไม่ยอมบวตกบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตเขาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นจับทำโดยที่มารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระองค์บวช ด, ดังนี้แล้วก็ถอยบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณแล้วเข้าไปหา มารดาบิดากล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้กระผมบวชเถิดก็เหมือนกับรัฐบาลสูตรนั่นแหละพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชง่ายๆอดข้าวประท้วง7วันวันที่7จเลยอนุญาตให้บวชลําดับนั้นพอตอนตอนท้ายเนี่ยนะหลังจากอดข้าวบวชแล้วก็ดูท่าถ้าไม่ให้บวชลูกตายแน่ก็เลยเอางี้แล้วกาันถ้าบวชแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างนะ ลำดับนั้นเขาก็ปฏิญญาว่าบวชแล้วจะแสดงตนมาคําว่าบวชแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านนะมาเยี่ยมบ้างทีนี้พอมารดาบิดาอนุญาตก็เข้าไปเฝ้าทูลขอบรนประชาเขาบรนประชาเป็นส ม, มนเณรอุปสมบทเป็นพระพิสุในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นอุปสมบทได้ไม่นานเพียรพยายามเพื่อมัศสูงสูงอยู่จำพรรษาในวัดป่าแห่งหนึ่งอรัญญาวาสแปลว่าที่อยู่ป่าแห่งหนึ่งก็ได้สําเร็จอภิน ญ, ญาหเป็นพาหันที่เหาะได้นะ มีอิทธิปาติหารมีทิพจักโสมีทิพโสตะรู้วาระจิตทั้งหมดเนี่ยนะมีอาสวัคคยายานเนี่ยหลังจากออกพรรษาท่านก็กลับไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและปลดเปลื้องคำที่รับเปลื้องคาที่ได้รับคำกับพ่อแม่ไว้ว่าบวชแล้วจะแสดงตัวให้เห็นเนี่ยนะก็จะมาเยี่ยมเหมือนกันทีนี้ท่านสังขามาชีเนี่ยพอไปถึงกรุงสาวัตถีก็เที่ยวบินทบาทในทุระรม กลับจากบินทบาทภายหลังพัดก็เข้าไปยังพระเชตวันเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ได้ทำปฏิสันฐานแล้วพยากรอรหัตผลพยากรให้พระองค์รู้ว่าบรรลุเป็นราตหัน่ะนะหลังจากนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกแล้วกระทำประทักษิณออกไปนั่งพักผ่อนกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่ง ลำดับนั้นมารดาบิดาและญาติมิตรของท่านทราบว่าท่านพระสังขารมาชิมาก็ราเริงยินดีข่าวว่าพระสังขารมาชิมาในที่นี้จึงรีบด่วนไปยังวิหารค้นหาอยู่เห็นท่าน น, นั่งในที่นั้นนะคือที่โคนไม้แห่งหนึ่งในวัดเนี่ยก็เข้าไปหาทำปฏิสันถานและอ้อนวอนว่าพระราชาอย่าได้ริบสมบัติของผู้ไม่มีบุตร น, นะทายาทเพิ่งได้รับพอแล้วละ่ะ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 อันนั้นก็เอ๊ะคนหาบคูดนี่มีด้วยหรือ <_ d ata> ก็ถ้าเป็นที่อินเดียไม่ต้องแปลกใช่ไหมเขาก็ต้องเช้าเช้าก็ต้องไปเก็บคูดอะไรนะเก็บขี้วัวขี้ควายม า, ามาผสมกับผสมกับฟางใช่ไหมเอามาตากข้างฟ้านะทั้งก็คนหาบคูดต้องการก้อนคูดเพราะฉะนั้นใครใครไม่อาจจะให้คนเหล่านี้เข้าใจธรรมกถาได้เขาต้องการแต่เรื่องการอย่างเดียวจะไปเข้าใจอริยสัจได้ยังไงนะท่านก็เลยนั่งทําเป็นเหมือนคนไม่ได้ยินพูดอะไรก็พูดไป มันสํานวนว่าไม่ฟังเลยนะนั่งเงียบอย่างเดียวบางคนเนี่ยนะไปเจอญาติบางคนเนี่ยสอนเขาไม่ได้นะยเขามาพูดให้เราฟังจนเป็นชั่วโมงเขาเพราเขาพูดจบแล้วเขาก็กลับไปถ้าเราจะพูดบ้างเขาก็มีธุระทันทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายนะสงเคราะห์ญาตินี่ยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยเห็นแต่พูดจ้อยจอยอยู่อย่างงี้ไปนั่งกับญาตินั่นนั่งฟังญาติพูดหมดเขาก็รู้ว่าเราไม่รู้เปเรื่องราวของเขาเขาจะเล่าเรื่องให้ฟังหมดเนะพอเราเริ่มจะบรรยายบ้างเ้าเอาละ มีธุระขอลากลับก่อนเพราะนั้นก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินอะ่ะจพูดอะไรก็พูดไปเหมือนกันคนเหล่านั้นอ้อนวอ น, อนโดยประการต่างๆเห็นท่านเนี่ยก็ไม่เชื่อคำของตนจึงเข้าไปยังเรือนสั่งพระยาของท่านพร้อมด้วยบุตรและบริวารพลางกล่าวว่าพวกเรานี้ถึงจะอ้อนวอนต่างๆก็ไม่อาจเอาใจก็ไม่ก็เอาใจท่านไม่ได้จึงพากัน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 พอไปถึงก็นางก็กล่าวว่าคุทะทปุตตังหิสมณะโปสะมังความว่านางกล่าวว่าท่านทิ้งดิฉันท่านทิ้งฉันกําลังตั้งครรภ์ทีเดียวบวชบัดนี้ฉันนั้นอ่ะมีลูกคนเล็กกําลังรุ่นนม่มรุ่นหนม่นหนมก็คือนมภาคเหนื้อเนี่ยนะก็แปลว่าลูกเล็กอยู่การที่ท่านทิ้งดิฉันผู้เป็นเช่นนั้นแล้วทําสมณะรมคือไปประพฤติศีลสมถาวิปัสสนานี้ไม่สมควรเพราะฉะนั้นสมณะ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 เห็นท่านนิ่งอย่างเดียวจึงสําคัญว่าขึ้นชื่อว่าพวกผู้ชายเนี่ยถ้าไม่อะไรในพวกภรรยาแต่ก็ยังมีความอะไรในบุตรความสิเนหาคือความรักความเยื่อใยในบทตั้งจดเยื่อในกระดูกของบิดาเพราะฉะนั้นก็ไดการน่ยก็เลยเอาลูกนี่แหละเธอยังอยู่ในอํานาจของฉันแม้เพราะรักบุตรเพราะฉะนั้นถึงว่าติดในบทก็ถือว่าติดในฉันด้วยก็เลยวางบุตรบนตักของพระเถระนึกว่าไปวางไกลๆนะวางบนตักเลย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 แม้เป็นสตรียืนอยู่ในที่ไม่ไกลเลียวดูหน้ามองดูรู้อาการของพระธีระก็ย้อนกลับมาอุ้มเด็กด้วยหวังว่าสมณะนี้ไม่ต้องการบุตรแล้วก็หลีกไปไร้ความหวังแล้วนะหมดหวังแล้ะ อ, อุ้มบุตรกลับดีกว่าพระพุทธเจ้าก็มองเห็นด้วยตาทิพใช่ไหมพระองค์มองเห็นด้วยตาทิพเนี่ยโอ้ยอุทานด้วยปีติขึ้นมาเลยนะพระองค์เกิดปีตินะ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 แสดงอนุภาพของพระสังฆามชิเป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์น่าปรารถนาคืออะไรเช่นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็คือตอนที่นางเนี่ยอุ้มบุตรมาใช่ไหมอุ้มบุตรมาแต่ก็เพามาเคยได้ยินโยมคนหนึ่งก็เล่านะบอกเขาไปทํางานเหนื่อยขนาดไหนก็ช่างเถอะบอกว่า ก, กลับมาถึงบ้านเห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยก็ว่างั้น แสดงว่าอาจจะอย่างที่คัมภีร์ว่าจริงๆนะบางคนก็ว่างั้นบางคนก็บอกเขามีลูกอ่อนเนี่ยตอนเนี้ยเขาขับรถนะเขาไม่ต้องดื่มริโพกระทิงแดงอะไรแล้วคิดถึงแต่ลูกก็แข็งแรงเลยะเนะไม่หลับไม่ง่วงยอมคนหนึ่งเขาขับรถจะมีล็อกเก็ตรูปรูปลูกของเขาไว้คนหนึ่งแถวแพวงมาลัยนี่แหละขับไปดูหน้าลูกไปอะไรกันนะนี่ก็แต่ว่าพระสังฆามาชิไม่ได้เป็นอย่าง น, านั้นไม่เพลดิดเพลินไม่ยินดีว่านางจะมาดูเราอะนะ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 สังคาสังคามาชิงมุดตังผู้ชนะถึงความพ้นจากธรรมเป็นเครื่องข้องคําว่าสังคาตัวนี้เนี่ยภิกษุผู้ชื่อว่าสังคามาชิแปลว่าพระภิกษุผู้พ้นจากเครื่องข้องทั้งห้าอย่างท่านไม่มีเครื่องข้องคือราคาราคาข้องข้องไว้ด้วยความผูกพันใช่ไหมโทสะนี่ข้องด้วยไหมข้องเหมือนกันเพราะมันไม่เล้วใจใช่ไหมมันเคลียร์ไม่ได้อ่ะ แก้ปัญหามันยังแก้ไม่ตกก็เลยข้องวนคิดอยู่เรื่องนั้นอยู่แหละโมหะก็เข่าคิดไม่ออกเนี่ยนะก็เลยคิดวนอยู่นั่นแหละมานะก็ความถือตัวแล้วก็มิจฉาทิฐิความเข้าใจผิดท่านพ้นจากเครื่องข้องห้าประการมีราคะโทสะโมหะและมานะทิฐิด้วยสม e, ุทเฉทวิมุออมออตมิคืออริยมรรคหรืออรหัตตมรรคปฏิปัสสัทธิวิมุติคืออริยผลตัมมะหังพรหมิบรมณังความว่าเรากล่าวผู้นั้น คือผู้คงที่สิ้นอาสวะว่าเป็นพรามเพราะเป็นผู้ลอยบาปโดยประการทั้งปวงแลอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพระอรหันต์นะว่าพระอรหันต์นี้ไม่เพลิดเพลินแม้ตอนได้รับโลกกระทฝ่ายดีแล้วก็ไม่เสียใจยตอนโลกกระทฝ่ายร้ายแบบเมื่อเช้าที่เราสวดใช่ไหมพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปติ อโศกังวีรชังเขมังเอตัมมังคามุตตัง ม, มังคาถานี้เป็นคถาชมพระอรหันต์อย่างเดียวว่าจิตของพระอรหันต์นี้นะพุทธะโลกธรรมเมหิเป็นจิตที่รับกระทบในโลกธรรมแปจิตของท่านก็อโศกังไม่เศร้าโศกนะวีรชังก็คือปราศจากทุลีคือกิเลสเขมังก็จิตถึงความกเกษมคือปลอดจากกิเลสจิตของพระอรหันต์เนี่ยคงที่ในโลกกระธรรมโดยประการทั้งปวงจริงๆ สูตรที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นสูตรว่าด้วยพระอาหารหันต์นี่มาดูสูตรของพวกมิจฉาทิฐิบ้างนะนนมิจฉาทิฐิสูตรเพระวสร